เวทนาแปลกันว่าการสวยอารมณ์หรือการเสพรสของอารมณ์คือความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกรับรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรับรู้เป็นความรู้สึกสุขสบายถูกใจชื่นใจหรือทุกบีบคั้นเจ็บปวดหรือไม่ก็เฉยๆอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อที่ควรทำความเข้าใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเวทนาเพื่อป้องกันความสับสนกับสังขารคือเวทนาเป็นกิจกรรมของจิตในขั้นรับกล่าวคือเกี่ยวข้องกับผลที่อารมณ์มีต่อจิตเท่านั้นยังไม่ใช่ขั้นที่เป็นฝ่ายจำงหรือกระทาต่ออารมณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมของสังขาร เวทนาจัดอยู่ในจําพวกวิบากไม่ดีไม่ชั่วโดยลำพังตัวของมันดังนั้นคำว่าชอบไม่ชอบชอบใจไม่ชอบใจตามปกติจะใช้เป็นคําแสดงกิจกรรมในหมวดสังขารโดยเป็นอาการสืบเนื่องจากเวทนาอีกต่อหนึ่งเพราะคำว่าชอบไม่ชอบชอบใจไม่ชอบใจ แสดงถึงอาการจำงหรือกระทาตอบต่ออารมณ์ดังจะเห็นได้ในลำดับกระบวนธรรทำทำในที่นี้คือธรรมะนะครับดังจะเห็นได้ในลำดับกระบวนธรรมเช่นเห็นรูปที่น่าปรารถนาหน้าใกล้คือจักขู่ตาบวกอิทธารมเกิดจักขูวิญญาณเห็นรูปที่น่าปรารถนาหน้าใกล้ เกิดความสุขสบายคือสุขเวทนาเกิดสังขารคือราคะก็ชอบใจต่ออารมณ์นั้นได้ยินเสียงที่ไม่น่าปรารถนาหน่ารำคาญโสตคือหูบวกอนิถารณ์เกิดโสตวิญญาณได้ยินเสียงที่ไม่น่าปรารถนาหน่ารำคาญเกิดความทุกข์ไม่สบายเป็นทุกขเวทนา เิดสังขารคือโทสะก็ไม่ชอบใจต่ออารมณ์นั้นเวทนามีความสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งมุ่งประสงค์เอ้สะสะแสวงข้อนี้หมายถึงสุขเวทนาและเป็นสิ่งเกรดกลัวเลี่ยงหนีสำหรับสัตว์ทั้งหลายหมายถึงทุกขเวทนา เมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นแต่ละครั้งเวทนาจะเป็นขั้วต่อและเป็นต้นทางแยกที่ชี้แนะหรือส่งแรงผลักดันแก่องค์ธรรมอื่นๆว่าจะดำเนินไปในทางใดอย่างไรเช่นถ้ารับรู้อารมณ์ใดแล้วสุขสบายก็จะกําหนดหมายอารมณ์นั้นมากและในแง่หรือในแนวทางที่จะสนองเวทนานั้นและคิดปรุงแต่งเพื่อให้ได้อารมณ์นั้น มาเสเสเวยต่อไปอีกดังนี้เป็นต้น